ปวงเรีนตังผัวทีสัมพันธ์รีนิพพตังโมงกรัญโยนิยังเยนัสังวิหิตังระคังมหาสัตังวะเนจังราเจิงระสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุ พระมมมันตันติอคาตังปังริตังตังภะนามะเฮ ภูเทตยังจาคุมาเอขันราชาหริสวรณ์นัปทเวปภาโสตังตังนัมมาสามิหาเรสวรนังปัตทเวปภาสังตยาชคุตตาวิหะเรมุทิวสังแยพระมะนาเวทขุสัพพธรรมแม่เตมนณโมเตจามังปาลยานตุนัมมาตุพุทานังนัมมาตุพุทธิ ญาณโมทิโมตานางนโมวิโมติญาอิมังโสปัณิตากาตวามโมรุจันติเอสนะเปตยังจัุมเอกังราชาหังสวันโนปัตเวปาโสตังตังนามาสมิหังรสวันนางปะทเวปภาสังตยจคุตตาวิหเรมุระติงยะพระมนาเวทะ คัวสะพะธรรมเมเตมเเมนามัวเตจัมังบาลายันตุนมาถุพุทธานังนามาทุพุทธิยานัมัววิมุตตานังนามัววิมุตติยานิมังโสปังริตตังกาตวามวโรวาสมากะปิ